เรื่องภิกษุเป็นไข้258สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้ลกล่าวกับพวกภิกษุผู้เป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดยีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุเป็นไข้ตอบว่าเมื่อก่อนพวกกระผมออกมาขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันดังนั้นจึงมีความพาสุขแต่เดีย๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่ออกปากขอดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข่ออกปากขอโภชนะอันประณีตได้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุพระสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิสษุเป็นไข่ออกปากขอโพชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้